บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบไปในเรื่องของนิรนรปภะคือหมวดที่ว่าดยนิบวนที่กราวมาโดยลาดับนั้นแท้จริงแล้วก็คืออาการของกิเลสทั้งหลายหรือเป็นตัวแทนของกิเลส ที่มีชื่ออย่างอื่นซึ่งแสดงอาการออกไปในลักษณะต่างๆการพูดระดับนิวรเป็นการแสดงความเข้มข้นของกิเลสระดับเกิดขึ้นรุ่มรุ่มใจไม่ถึงออกมาทางกายกับทางวาจาแต่เป็นความจึกนึกความเนี่ยวนึกที่ปรากฏอยู่ในภายใน ในกระแสความคิดก็จะสายไปตามประเภทของกิเลสเหล่านั้นเนหาุนาหกรมรู้สึกประเภทกรรมฉันมันเกิดขึ้นก็จะบังคับจิตให้สายไปสู่อารมณ์ที่ใจกำกหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอารมณ์เหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีต ท, ที่ท่านเรียกว่าอติตารมณ์ รวมในอดีตแต่นํามาเหนียวนึกตึกนึกด้วยความใคร่ด้วยความปรารถนาด้วยความยินดีไขว้คว้าต้องการที่ใจหวนกลับมาย้อนกลับมาหรือปรารถนาที่จะพบปะสิ่งเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นในโอากาสต่อไปบางครั้งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนั้นใจสํานึกคิดถึงด้วยความกําหนัดเพลิดเพลินยินดี แต่เป็นเรื่องระดับของความคิดในขณะนั้นเราอาจจะเห็นรูปหรือฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งอูก็ได้แต่ก็มองด้วยความกังหนัดเพลิดเพลินชื่ น, นชมยินดีแต่ได้ว่าความคิดก็จะแปรผันไปตามอำนาจของสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นๆน น, นวอนก็คงไม่เกิดข้อเดียวอาจจะเกิดข้ออื่นขึ้นมาได้อีก เป็นตัวอย่างกำลังเหนียวนึกตึกนึกถึงการเล่นหรือการแสดงอะไรอยู่ก็จะมีความพอใจในบางเรื่องบางตอนบางคนที่มีการแสดงแต่ก็อาจจะไม่พอใจไม่ชอบใจในสมบัติบางคนแสดงว่าในขณะนั้นถ้ายังไม่ถึงก็พูดออกมายังไม่ถึงก็ทำออกมาก็ยังอยู่ในระดับของนิบบต จิตใจก็จะกำนัดเพลิดเพลินยินดียินร้ายอยู่กับเรื่องที่มีการแสดงบางครั้งอาจจะเหนียวนึกไปถึงอารมณ์ในอนาคตซึ่งอาศัยปัจจัยต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตมาปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นต้องการให้ได้ให้มีให้เป็นในอนาคต แต่ในค่บตอนนั้นที่จริงอารมณ์ก็ยังไม่เกิดตัวเราก็ยังไม่ไปไ ป, ไปถึงเวลาก็ยังไม่ถึงเพียงแต่ว่าจิตมันก็สายไปก่อนแล้วก็เป็นความมุ่งมั่นปรารถนาตรงหน้าไปในสารนิจก็วิ่งไปเร่ๆตามนาจของอารมณ์ที่ตนรักถ้าพูดถึงสายกรามชั น, นแต่ในขณะเดียวกันถ้าปริมาณก็แรงขึ้นแล้วก็ออกมาข้างนอก พอออกมาข้างนอกที่จริงก็คือกรารอัจฉัินั่นเองแต่ออความเข้มข้นก็แรงขึ้นอาการที่สัมผัสได้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นพระเจ้าก็ใช้คำอื่นเข้ามาเรียกเช่นออความโลภความอยากได้ตัณหาหรือความเพ่งเล็งโลภอยากได้ต่างๆชื่อเหล่านี้ที่จริงทั้งหมดเป็นอาการของกิเลสประเภทนี้ทั้งนั้น เพียงแต่ว่าพ อ, อาการมันเปลี่ยนปริมาณของกิเลสเหล่านั้นเพิ่มขึ้นลักษณะาการที่ปรากฏในขณะนั้นก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่เป็นเรื่องกิเลสต่างก็เรียกชื่อให้ต่างกันออกไปที่เหล่านั้นเป็นเรื่องของสมมุติปัญญาตเป็นการสะท้อนจากอาการที่ทําปฏิกิริยาต่อจิตแต่บางคนได้กําหนดรู้ว่า อาการของกิเลสระดับนี้ทารเรียกอย่างนี้กิเลสระดับนี้ก็เรียกอย่างนี้กิเลสระดับนี้เรียกอย่างนี้ก็ทำให้ดูจิตของตัวเองได้ว่าขณะนี้จิตเราเป็นอย่างไรจิตเราเป็นกร า, า شر, รมฉันจิตเราเป็นความมีความยินดีจิตเรามีตัณหาจิตเรามีกาลโุปาทานจิตมีอภิชาวิสมันโตคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้ในจิงทั้งหลายแต่ในการนี้เป็นสังเกตว่า มันก็ยังไม่ถึงกับทำออกไปหรือพูดออกไปพอพูดออกไปก็เริ่มพูดไปด้วยความรักด้วยความยินดีด้วยความยึดย ม, มั่นถือมั่นก็แล้วแต่ว่าลักษณะของการพูดนั้นจะแรงหรือไม่แรงอย่างไรจะเป็นการสะท้อนธรรมออกมาตามที่ปรากฏดูแลไายจะเป็นการรายงานถึงสภาพจิต ความสภาพจิตมันก็เกิดขึ้นมาก่อนแต่ทํำยังไงจึงจะสะท้อนให้เกิดความเข้าใจกันท่านก็กําหนดชื่อขึ้นมาทราบทั้งหลายด้วยชื่อทั้งหลายจึงกลายเป็นสมมติสมมติก็หมายความว่ามีมติร่วมกันแล้วก็บัญญัติขึ้นมาว่าสถานะอย่างนั้นสภาวะอย่างนั้ น, น, น, นเรียกอย่างนั้นอยางนั้นในการศึกษาธรรมะท่านจึงเป็นเน้นที่อัตถะ คือเนื้อหาและพยัญชนะคือภาษาที่ใช้สื่อเพื่อเกิดความเข้าใจกันแต่ก่อนที่จะเกิดความเข้าใจก็จะมีการนิยามความหมายเหล่านั้นออกมากำหนดเป็นลักษณะต่างๆเวลาศึกษาในระดับของอภิธรรมจึงบ่าได้เน้นในกระบวนการทางจิตชัดเจนมากยิ่งขึ้น สิ่งกิเลสประเภทนี้จะมีการทายไปในอารมณ์ที่ทนใครเป็นลักษณะตน จ, จะล่นไปอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกิเลสตัวนั้นมีความกหนัดเพลิดเพลินยินดีเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในจิตและรู้สึกจิตเกี่ยวขกาะหุกพันเดียวกับสิ่งเัานั้นมากยิ่งขึ้นมีพวกวัตุ ก, กรมทั้งหลาย เป็นตัวกระตุ้นให้บังเกิดขึ้นเป็นตัวเร่งหมายความว่าถ้าไม่มีวัตถุเหล่านั้นเป็นตัวกระตุ้นกิเลสเหล่านี้ก็ไม่เกิดแต่พอดีตัววัตถุเหล่านั้นบางครั้งเราก็เก็บไปแล้วเก็บไว้ภายในใจสะสมไว้ภายในใจเพราะนการเหนียวนึกในเรื่องอดีตที่จริงก็เป็นการเหนียวนึกถึงอารมณ์เกา่าเราเคยชื่นชมยินดีมาแล้วในอดีตแต่อารมณ์เหล่านั้นก็จากไป มันก็จะไปเฉพาะตัวอารมณ์ตัววัตถุสิ่งของเหล่านั้นแต่ว่าความจําความทรงจํำก็ยังมีอยู่ภายในใจิตจิตก็นํามาเหนี่ยวนึกถ้าในสายนี้ก็กระเหนี่ยวนึกในรูปที่เรียกว่ากาลวิตกจึกนึกด้วยอํานาจของความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่ถ้าสิ่งที่ตนไม่ใคร่ก็จะไม่นํามาเหนี่ยวนึกถ้าเหนี่ยวนึกก็เหนี่ยวนึกในสายอื่นนั้นกระแสของความเหนี่ยวนึกที่เราเรียกวิตกบ้างเรียกว่าสังกปะบ้าง เรื่ความตรึกบ้างมันจะเกิดขึ้นจากการกําหนดอารมณ์ที่เก็บสะสมไว้ภายในจิตขณะนั้นจะได้เห็นได้ยินได้สูดรมได้ลิ้มหรือไม่ก็ตามจิตก็สามารถเดีื่อยนึกได้ไไดนดในลักษณะคล้ายๆสัตว์ที่เคี้ยวเอื้องเอื้องที่เคี้ยวนั้นที่จริงก็คืออารมณ์เก่าหรืออาหารเก่าที่ก็เก็บไว้ ไม่มีอาหารข้างนอกเขาก็ดึงสิ่งเหล่านั้นก็มาเคี้ยวก็เคี้ยวอยู่ได้เหมือนกันจิตใจของบุคคลเราก็มีลัาากษณะอย่างนั้นตัวาอารมณ์เก่าวต่างๆเป็นอันมากที่เก็บมาเดนียดนึกถึกนึกเนื่อ ง, ง, งจากเราเก็บอารมณ์ไวโโ้โดยโดยอารมณ์หลักที่เป็นแรงกระแทกกระทันใจสูงก็คืออารมณ์ที่เรียกว่ารักชังที่เจา้าทรงใช้คำว่าอภิชาโทปนัต เกิดขึ้นจากความหยินดีหรือความหยินไรหรือความชอบความชังก็แล้วแต่จะพูดคือมายความวาสายหนึ่งก็เกิดกิเลสตายโลภะสานหนึ่งก็เกิดกิเลสสายโทสะแม้สิ่งเหล่านั้นจะตายไปแล้ววัดพากไปแล้วสูญหายไปแล้วแต่ความทรงจําในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสของสิ่งตัวนั้นยังมีอยู่บางวังนจิตก็ไปเหนียดนักศึกษา ตึกนึกตึกนึกในแนวแนวนี้ท่าเรียกว่าเป็นกาบเป็นกาบมัวิตกูตึกนึกด้วยหน้าของความใคร่อย่างที่พระเจ้ารับสั่งตอนที่ทสัจสรู้คือสแสวงหากิเลสตัวนี้หยุดห น, นักมันมาอย่างไงมันเป็นมาจากไหนเป็นได้อย่างไรแล้วพอสัสรู้ก็รับสั่งว่าที่จริงมันเกิดจากความดํางริที่เองความดําริคือความเดี๋ยวตึกนึกขึ้นมานั่นเอง เราเล่าสั่งว่าดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดขึ้นมาจากความดำ่ิเองต่อไปจะไม่มีการดำ่ิถึงเจ้าอีกแล้วซึ่งหมายความว่าพระไตรของพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์จากความตึกนึกในแนวนี้เพราะอะไรเพราะกิเลสกามเป็นเหตุทตึกนึกไม่มี รการจะสึกนึกเกิดขึ้นมาได้นั้นใจจะต้องเก็บอารมณ์เหล่านั้นโดยอำนาจของความใคร่ไ้ก่อนถ้าไม่มีแล้วก็เนื่อนึกมาไม่ได้จึงแสดงไว้ว่าความดั่งินั้นเป็นกามของคนแต่ก็ต้องเข้าใจโดยนัยยะอื่นว่าแม้แต่ความพยาบาทความโกรธความาาาริษยาขาดนันก็เกิดมาจากความดําริเหมือนกัน คือถ้าเราไปให้ความสําคัญไปถือเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญมันก็ก่อให้เกิดเป็นความรักความชังเกิดมาได้ต่สายหนึ่งจึงกลายเป็นตึกตึกเตือํานาจของความพยาบาทแน่นอนถ้าพูดเป็นนิวร์ก็คือพยาบาทนิวร์แต่ก็นําเกิดขึ้นกรุ่มรุมใจใจไปเกาะเข้าไปยึดเข้าแล้วก็นํามาจากนึกเดี๋ยวนึกไปด้วยหนาจของความพยาบาทในช่วงนี้ท่านไม่เรียกว่านิวร์ แต่ท่านเรียกว่าความดําริหรือความตึกมาถามว่าเอาอะไรมันดําริมาตรึกก็กิเลสพวกนั้นเองมาตึกแต่มันเป็นจิตไปเหนี่ยวลักษณะของนิวรณ์ น, นั้นจิตไปกรุ่มรุมพอรุ่มรุมขึม้มาถึงจิตก็ไปจับอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาเกาะติดอยู่ในสุดก็จะเหนียวนึกตึกนึกไปด้วยอํานาจของความอาฆาตเฉยป่บบา นความอาฆาตปัาบาทั้งก็เกิดมาจากความไม่พอใจความไม่ยินดีความไม่ชอบความโกรธเคยไปทุสร้ายกันมาแล้วเก็บเอาไว้ไปในใจกลายเป็นอาฆาตบ้างปยญญาบ่าบ้างผูกโกรธบ้างไอความผูกโกรธนั่นเองประดรึกนึกมากเข้ามันก็กลายเป็นความพยญญาบา่าคือเพิ่มความ ร, รุนแรงยิ่งขึ้นหรือแม้แต่คนศาสสิ่งของที่เราไม่ยินดีความรู้สึกจริงๆไม่ค่อยจะรุนแรงเท่าไหร่ แต่ว่าเนี่ยนึกตึกนึกขึ้นมามากจะมองคนมองสัตว์มองสิ่งของเหล่านั้นในแง่เดียวคือแง่ที่ไม่ดีในสุดก็มีการปรุงคิดคิดปรุงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความคคเข้มข้นกิเลสก็เข้มข้นขึ้นไปโดยลําดับโดยลําดับจนถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นความเป็นความไยาบายซึ่งก็มีลักษณะเดียวกับกามะฉันทั้งกระบวนการทางจิตเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงแสดงว่า ความรักเกิดจากความรักก็มีความรักเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความโกรธก็มีความโกรธเกิดจากความรักก็มีในจุดมันก็วุ่นวายไปหมดภายในจิตไปดึงอะไรต่อไม่ไรเข้ามามากมายไกลกองอย่างในกรณีของความรักที่เกิดจากความรักเราเห็นว่าบางครั้งก็มีการกำหนดสถานะของบุคคลคนหนึ่งไว้เป็นที่รัก เมื่อสึกนึกเมื่อมองเห็นบุคคลนั้นน่ารักไปด้วยประการต่างๆมากครับความรักนั้นก็จะเลื้อยเข้าไปถึงพ่อแม่ของคนเหล่านั้นถึงพี่น้องของคนเหล่านั้นถึงวงศากนนายาตของคนเหล่านั้นแต่ยิงจุดเริ่มตน้นมันก็เริ่มจากคนคนหนึ่งเพียงแต่ว่าเรากำหนดสถานะของบุคคลนั้นในแนวนั้นมากยิ่งขึ้นก็ เ, เพิ่มพูนความรักขึ้นไปโดยลาดับ ก็กลายเป็นรักพ่อแม่พี่น้องวงศาระนาญาติปูย่ย่าตายายก็กลายเป็นการผูกมิตรปีตรีกันนั้นคือสายของมิตรปีตรีแม้แต่สายอื่นสายวัตถุสิ่งของก็จะมีแนวนั้นคือจุดเริ่มต้นไม่มากแต่มีการปรุงคิดคิดปรุงไปเรื่อยๆปริมาณกิเลสก็เพิ่มขึ้นปริมาณความรักก็เพิ่มขึ้ น, นก็กระจายความรักออกไปคนต่อต่อนั้นที่จริงแล้วก็เกิดขึ้นมาจากเรารักคนคนแรกก่อน อาจจะเริ่มที่พ่อแม่อาจจะเริ่มที่ปู่ย่าตายายอาจจะเริ่มที่ลูกเขาอาจจะเริ่มที่หลานเขาก็ได้แล้วก็สืบทอดไปโดยลำดับเป็นลีลาอารมณ์เป็นลักษณะของอารมณ์ที่จริงการแผ่ไปของธรรมะก็แผ่ไปแนวนั้นคล้ายๆกับเมตตาธรรมที่เราเกิดขึ้นเมตตาสงสารเด็กคนใดคนหนึ่ง จ, จะเริ่มจากเด็กเล็ ก, เ, ลกเด็กนั้นก็มีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายาย พไม่ตาเหล่านั้นไปยายออกไปโดยดังดงนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วก็เลื้อยไปในรูปที่เราเห็นว่าเป็นรูปธรรมเป็กระแสะของธรรมที่ไหลไปแต่ก็มีจุดเริ่มต้นอยู่ ด, ด้จุดได้จุดหนึ่งเรดูเฉพาะตัวที่เป็นจิตจริงๆคืดูเฉพาะที่เป็นนามธรรมจริงๆก็ได้แล้วดูที่เป็นรูปธรรมแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเพราะฉะนั้นคือใจมันแผ่ไปเรื่อย เป็นกระแสต้งรรางาก็ได้กระแสกิเลสก็ได้ก็แล้วแต่จะจุดประกายขึ้นมาบางครั้งเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความโกรธความรักระดับหนึ่งนั้นจะมีการเกี่ยวเกาะผูกพันหวงใหญ่ปกป้องคุ้มครองอารักขานั่นคือการคืบครานต่อสิ่งต่างๆทานองลองสังเกตว่าเราได้วัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งมา ในตอนแรกก็เกิดกําหนดค่าของสิ่งเหล่านั้นว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเกิดที่จริงเมื่อก่อนใจมันไปกําหนดวัตถุเฉยๆวัตถุก็วางอย่างนั้นแต่ใจก็ไปเกาะเข้าว่าวัตถุนี้สิ่งนี้น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจพอปริมาณความปรารถนามีเพิ่มขึ้นก็ตกลงตัดสินใจคือมีการตกลงใจหรือการตัดสินใจ ซื้อหรือขอหรือใช้วิธีใดก็ตามก็สรุปว่าได้สิ่งนั้นมาในทางที่ชอบรับจากนั้นเมื่อได้แล้วพลิกไปพริกมาก็เกิดประทับใจในความสวยงามความอยากได้ความหวงก็จะเกิดขึ้นหวงมากขึ้นมันจะมีการป้องกันมีการรักษากลัวสิ่งนั้นจะเป็นอันตรายก็มีการคุ้มครองเก็บรักษาไว้ในที่ที่มั่นใจว่าปลอดภยัย เพราะเวลาไปมีความรู้สึกเหล่านั้นในบุคคลอื่นในสัตว์อื่นในสิ่งอื่นก็จะเป็นเช่นเดียวกันพอดนสิ่งนั้นเกิดมีคนมาล่วงเกินมาเป็นอันตรายมาร่วงละเมิดเราก็ปกป้องนี่เราจะเห็นว่าจิตใจมันก็เปลี่ยนไปในด้านของความรู้สึกแต่เริ่มต้นที่คนซึ่งเรารักและสิ่งที่เรารัก แต่ก็มีคนมาล่วงเกิดในสิ่งที่เรารักก็แสดงว่าความโกรธนั้นมันเกิดขึ้นมาจากความรักเขาไม่ได้ทําอะไรเราแต่พอดีไปทําที่ของกับของที่เรารักหรือคนที่เรารักมันก็ทบตึงใจเราความโกรธตอนนี้ก็เกิดไปที่บุคคลผู้นั้นนี่กคือลักษณะของความโกรธที่เกิดมาจากความรักแต่บางทีมันก็เป็นความรักที่เกิดมาจากความโกรธก็ได้ เช่สมมติว่าเราต้องการที่จะทําลายไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้มีอยู่เป็นอยู่หรือคนเหล่านั้นพินาศไปไประสบความผิบพลาดไปเป็นเรื่องของความคิดแต่พอดีก็มีใครคนใดคนหนึ่งมาทําตามที่เราต้องการเจยกนั้นแตกไปทําลายไปล้มตายไปและสูญหายไปรู้สึกว่าคนนั้นได้มาช่วยเราในตอบสนองความต้องการของเราที่มันเกิดขึ้นเราเกิดรักว่าคนนั้น นั่นแสดงเห็นว่าความรักเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากความโกรธคือเขามาทําลายสิ่งที่เราโกรธให้เป็นการตอบสนองความต้องการของเราลัาขนาเหล่านี้เราสังเกตว่าจะปลนปลืต้ตนเองทั้งหมดถ้ฐาฐางกิเลสจะเป็นเชนั้นคือกลับมาปลนปลื้ตัวเองทะนุถนอมตัวเองตอบสนองความต้องการของตัวเองใครทําให้ตัวเองพอใจเราก็ชอบถ้าขนาดคนธรรมะที่จริงเขาก็เลืออย่างกัน แต่ว่าธรรมะจะมีลักษณะคือคกูลเกียคนอื่นคือกระแสมันก็ตรงกันข้ามกระแสของธรรมะมันจะทะยอยออกไปข้างนอกเรื่อยๆแต่กระแสของกิเลสนั้นจะเชื่อมโยงกับตัวเองหมายความว่าถ้าเราได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็มีความพอใจมีความชอบใจในลักษณะของกระบวนการทางจิตอย่างที่กล่าวแล้วก็คือความรักที่เกิดจากความรัก ความโกรธที่เกิดขึ้นมาจากความรักหรือความโกรธหรือความโกรธที่เกิดขึ้นมาจากความโกรธก็คือกระบวนการทางจิตเช่นเช่นสมมุติว่าเราโกรธคนใดคนหนึ่งจู่แล้วคนนั้นไปดีกับคนที่เราโกรธเป็นว ญ, ญาติพี่น้องของเราเราโกรธกับคนคนหนึ่งน้องก็เราไปดีกับคนนั้นไปเป็นเพื่อนอคนนั้นไปไหนมาไหนคนนั้นเราจะโกรดน้อง จะทำมาทำไมจึงโกรธเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เราโกรธก็ทําให้เราโกรธเราเกิดความโกรธขึ้นมาที่น้องนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าน้องไม่อาใจเราไม่ทันโน้ตนอมใจเราไม่รักษาน้ําใจเราบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่าการประพฤติปฏิบัติของกรนนั้นถูกต้องแต่ถ้าเรามองว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของใครก็ปรากฏว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของเราเอง น้องก็ต้องเอาใจเราคนนั้นก็ต้องเอาใจเราคนนี้ก็ต้องเอาใจเราจริตใจของเราก็จึงแปรผานไปด้วยการเอาใจตัวเองคืออ่อนไว้ไปตามอำนาจของกิเลสลักษณะกระแสะกิเลสนั้นถ้าว่านํามาดูที่จิตที่เห็นชัดเจนเราเห็นว่าบางอย่างนั้นมันก็ทวนกระแสะโลก เป็นการดิ้นรนคลขวายเพื่อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโ น, น้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือบุคคลอื่นถ้ามองจากกระแสะโลกเราจะเห็นว่าคนนั้นใกล้ๆจะใหญ่มีอํานาจเหนือบุคคลอื่นมียศเหนือบุคคลอื่นมีตําแหน่งเหนือบุคคลอื่นแต่ถ้าบุคคลเหล่านั้นขึ้นไปด้วยความรู้ความสามารถคุณธรรมภายในใจของท่านเหมาะสมแก่การยกย่องในฐานะตระหนักเราดันกอเป็นเรื่องที่ควรแก่การนมันา แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันดิ้นเป็นการข่อยคว้าสแสวงหาต่อสู้ด้วยกรรมวิธีการต่างๆเพื่อได้ความยิ่งใหญ่เหล่านั้นในภาพทัวๆไปก็คือใหญ่เหมือนกันแต่ถ้าดูที่สภาพจิตแล้วจะเห็นได้ว่าคือเล็กลงทําไมเล็กลงเพราะไม่สามารถที่จะคุ้มครองตัวเองหรือทรงตัวเองไว้ได้ถูกอานาจของกิเลสปลักไสเสือกใสให้แล่นไปสู่ความปรารถนา สูญเสียการทรงตัวไม่สามารถรักษาคุณความดีของตนเองไว้ได้เขาอาจจะใหญ่เหนือคนอื่นแต่จริงแล้วเขาก็พ่ายแพ้กิเลสอย่างรับค้าพผลหลักการเหล่านี้ก็มายุติโดยหลักที่พระเจ้าทรงแสดงว่าอตาเวจิตังสยุชนะตนนั่นแหละเป็นการเดกเพราะเป็นการชนะที่ไม่พ่ายแพ้และเป็นใหญ่อย่างแท้จริงคนเราจะใหญ่ยังไงก็ตามถ้าหากว่า ยังมีนายบังคับใช้ก็คือกิเลสสั่งการบงการโดยตลอดทำอย่างนี้ทําอย่างโน้นล้างผลาญคนนั้นคนนี้เพื่อความจริงใจของตัวเองใช้เงินใช้ทองเพื่อความจริงใจของตัวเองก็แสดงว่าไม่ได้ใหญ่จริงเป็นทาต ถ, ถูกบังคับใช้โดยนายคื อ, คอกิเลสกิเลสผลักไสเสื่อมสายเล่นไปสู่อารมณ์นั้นแต่ถ้าหากว่าเอาชนะใจตัวเองได้ คำว่าชนะใจตัวเองได้ในที่นี้หมายถึงชนะใจที่มีกิเลสก็คือชนะกิเลสภายในใจรู้จักสำรวจระวังควบคุมความรู้สึกนึกคิดเอาไว้แม้จะยังมีกิเลสอยู่แต่กิเลสก็บังคับให้ดิ้นขนาดนั้นไม่ได้กิเลสบังคับให้ขวนขวายซื้อหาแสวงหาความยิ่งใหญ่มาเพื่อตัวเองไม่ได้ กนในกระดนั้นในจุดนั้นในแง่ของวินิจฉัยจะยกย่องสันเสริญว่าเป็นผู้ที่ช น, นะตัวปุคคลนั่นเองก็จะมีความภูมิใจมีความสุขใจที่ได้ควบคุมกิเลสเอาไว้แม้จะทําลายเขาไม่ได้แต่ควบคุมเขาไปได้ไม่ถึงก็ปลักใส่ให้เราสูญเสียการส่งตัวจะมีการประพฤติการกระทําในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรคิดมา การบัดในแนวของกรรมฐานคือประเภทควบคุมนิวรณ์ผูสังเกตว่าไม่ได้อยู่ที่จะต้องนั่งจเจริญสมาธิอยู่ตลอดไปแต่จริงแล้วเป็นการดูใจในขณะนั้นเห็นใจตามความจริงว่าใจเราเป็นอย่างไรในขณะนั้นนิวรณ์เวลานามาเรียงตามระดับอักษรถ้าก็ต้องเรียงอย่างนั้นเพราะมันกินพื้นที่แต่ต้องเรียงตามสูตรของท่านคือเรียนมาโลกโลกโดหลงมา อเรียงจากสุดนั้นแต่ก็ต้องเขียนอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วนิวรณ์นั้นไม่ได้เกิดตามลระดับอย่างนั้นอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังก็ไม่รู้มันก็อยู่ที่ขณะจิตของเราในแต่ละขณะจิตโน้มเอียงไปในทางใดามากคือหนักไปในทางใดามากนิวรณ์เหล่านั้นก็จะเป็นเจ้าเรือนของจิตหรือเกิดมากเป็นพิเศษแต่เกิดมากเป็นพิเศษก็แสดงว่ากลายเป็นอาการอย่างหนึ่งที่ริวจริต จดีก็คือเพื่อนจิตเพื่อนอัธยาศัยหนักไปในทางนั้นน้อมไปในทางนั้นเช่นประเภทกามฉันนิวรรเกิดขึ้นมากมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตกตะกอนสะสมอยู่ภายในจิตกลายเป็นลักษณะนิสัยมีความโน้มเอียงไปในทางกามาราคะจดิ กำนัดรักใคร่เพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสิ่งต่างๆจะพิจ ย, ยวข้องกับอะไรก็ต้องสวยต้องงามต้องประณีตต้องบรรจงจะปรุงอาหารก็ต้องประณีตบรรจงจะทําทอะไรก็ต้องสวยสวยงาม น, นั้นแสดงว่ามันมีตะกอนใจที่สะสมอยู่จนกลายเป็นลักษณะนิสัยติสาพยาบาทก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าเก็บสะสมไม่มากๆสะสมไม่บ่อยๆเกิดขึ้นอยู่ภายในใจอยู่เสมอ อาการที่ปรากฏก็จะมีความคิดรุนแรงในการกระทำที่รุนแรงก็รวดเร็วมีความเชื่อมั่นในตัวเองบางทีก็โมโห ร, รุดานอะไรต่างๆเรากลายเป็นลักษณะ น, นสิสัยเราก็กลายเป็นพวกตัวสัต์จิตเป็นพื้นจิตของบุคคลเหล่านั้นเพราะกระแสกิเลสกระแสาอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตคือเรดูใกล้ๆจะดับไปแต่จริงเขาไม่ดับก็ตกตะกอน ตตกะกอนอยู่ภายในใจคล้ายๆกับเรารู้สึกโกรธคนหนึ่งตั้งจุดหนึ่งมันหายไปดูแล้วกล้ๆจะหมดไปแต่ว่าหลังว่าเจอหน้าไอ้ตะกอนเหล่านั้นถ้ายังมีอยู่ในจุดหนึ่งก็จะขึ้นมาอีกนอกจากว่าเราไปสลายสิ่งเหล่านั้นด้วยธรรมะคือในจุดนั้นเองเพื่อปริมาณธรรมะขึ้นการให้อภัยการเมตตาการกรุณาเป็นต้นไปมากธรรมะเหล่านี้ก็จะสลายความผูกโกรธหรือความไม่พอใจเหล่านั้น พบในครั้งต่อมาอาจจะรู้สึกเฉยๆอาจจะรู้สึกกินดีแต่ว่าใจจะไม่ขุนทาไมไม่ขุนเพราะในจุดนั้นในขณะนั้นเรามีธรรมะคือเมตตามีธรรมะคือกรุณามีธรรมะคืออดทนมีธรรมะคือการนั่งไผ่คุ้มครองใจอยู่ลักษณะความเปลี่ยนแปลงที่บังเกิดขึ้นภายในจิตแม้ในกรณีอื่นก็จะเป็นเช่นนั้น แล้วเราก็ดูจิตแล้วก็นั่งไปในรถก็ได้อที่บ้านก็ได้อยู่อะไรก็ได้พระจิตเนียวไปทางนิวรณ์ก็รั้วนิวรณ์มันเกิดขึ้นนล้วก็พยายามสลัดให้มันหลดย้ายเพิ่มปริมาณอย้าให้คลุกคล้วก็จิตมากเกินไปตํานองคล้ายๆฝุ่นคล้ายๆตะกอนที่ผ่านมาคนนี้บางทีพระเจ้าก็เรียกว่าฝุน่นเรียกว่าตะกอนเรียกว่าทุลีเรียกว่าหมอกเรียกว่าควันอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิด จะทํำยังไงว่าพอเกิดขึ้นแล้วก็เรียกปัดฝุ่นเหล่านั้นออกไปปัดควันเหล่านั้นออกไปปัดตัวรีเหล่านั้นออกไปมันก็เคยเปื้อนแต่เปื้อนไม่มากการสะสมการหมักผมอยู่ในจุดนั้นก็จะน้อยลงไปบางครงก็ทรงสอนในรูปของการมองคล้ายๆกับภาชนะสำริดที่พระนิเสนิมอยู่แล้วก็มาขัด ขัดไปบ่อยสนิมมันก็หายไปแต่ถ้าต้องการจะไม่สนิมมันเกิดอยู่บ่อยๆก็ไปเก็บไว้ในที่มิชิตดดิติสนิมมันจะเกิดขึ้นน้อยเวลาบทจะใช้งานมันก็ใช้งานได้เร็วขึ้นไม่ต้องออกมาขัดสนิมก็จะ อ, อีกจิตใจของบุคคลท่านก็สอนให้ฝึ ก, กเรียกว่าเป็นกรรมนิยะคือใช้งานได้เม่อบทจะต้องใช้ก็ใช้ได้ควบคุมอารมณ์ไว้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นไอ้สื่อที่จะให้เกิดนิวรณ์มีมากทําอย่างไรจึงจะปิดกัน้นพวกเรา น, นั้นเอาไว้สำรวจระวังใจอาข้ามใจหรือไม่ใส่ใจหรือพอเกิดขึ้นบางจุดก็พยายามสลัดให้หลุดจากสิ่งที่เป็นเชื้อให้เกิดให้เพิ่มนิวรณ์เหล่านั้น แลการปฏิบัติสงบนิวรที่จริงแล้วมันก็ใช้ในอยกวัตรงพวงแต่ว่าการปฏิบัติในแนวของกรรมฐ า, านนั้นเราจะพบว่าเราเพิ่มความดีขึ้นเพื่อจะสลายความชั่วที่เราเรียกว่าภาวนาจุดตุ่งหมายในการกระทำก็คือมุ่งที่จะเพิ่มความดีให้เป็นสลายความชั่วเพิ่มปริมาณกองธรรมะเพื่อไปสลายกิเลสต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป